ใจอู้มีกิจฉนิทานไม่ไม่ได้ล้มลงก็ไม่สะดุดนะไม่ว่าท่านว่าเรามันเป็นยูนะ้มีการเก็บไพ่ได้กลัวพอถึงตัวเท่านั้นเองไม่บางทีจะคิดไม่ได้เลยนะนะถ้ามึงทำหน่อยก็พอสัแคดุจใจถ้าคนมนีกิจฉนิพที่เลี้ยงเด็คิดได้อาจจะีคุณงามความดีที่ ตัวนี้เได้บมเพ็ญหมาอันนี้ก็อมีกำลังใจในเศร้าโศกโศกตาเท่าไรนักยิ่งไม่มีอะไรติดหัวใจเลยยังไงก็ดิ้นรนตลอดมีเจ้างหาวิธีจะให้หายอย่างเดียวอันนี้มบีบังคับมันได้ระหว่างโรคกับยามันเข้ากันได้มันก็หายวันหายคืนไปเป็นลักษติทั้งสองอย่างนี้เลยบำงรักษา <S <S ขึ้นกันด้วกัน ถ้าเราไ็่ฟังยามก็ตายที่เห็นกันนะก้ไม่ฟังยาก็ตายด้วยกันทั้งหมดถุกนันนี้พวกเราก็ข้อภาจาใหม่ใน ห, หนึ่งเดือนนั่นนะหนึ่งเดือนก็ น, นับวันเมื่อเ ก, กิดแจ้งไปถ้าเราไม่มีอะไรที่จะเป็นฝักเป็นจิงหรือจกรบัมเจ็นตนในทางที่ดีงามก็ก็ผ่านไปผ่านม มืดเกิดแจ้งตอนนั้นไม่มีอะไรแต่เป็นสมมติโลกนิยมกันมาได้เท่านั้นเดือนเท่านั้นปีสมมุติโลกนิยมก็ต้องว่าไปตามสมมุตินั้ น, น, นแต่ทำนี้เป็นคนไม่หยาบ ก, กันไม่มีอะไรมีแต่มืดเกิดแจ้งกันนั้นหากเราไม่ทําตัวของเราให้เป็นคนดี หรือทําตัวของตนเองไม่มีสัดว์มีสิง่งมันก็สาวประโยชน์ไปเฉยไม่มีอะไรมีท่านทำเป็นอย่างนั้นแต่โลกนิยมวันวันจันทร์วันอังคารคนเกิดวันนั้นดีอย่างนั้นคนเกิดวันนั้นดีอย่างนั้นรวงเป็นอย่างนั้นก็ว่าไปตามเรื่องของหนูแต่ครั้งพุทธกาลก็มีนะเจนตัวอย่างพระพักคารีถ้าจําไม่ผิดนี่ท่านก็เก่งเหมือนกัน ตามตำราท่านกล่าวไว้ะจะมาแข่งพระพุทธเจ้าอ่ะมัน่นเถิดพราะความรู้ความฉลาดเรื่องดวงเรื่องดูเรื่องดูญาณนี้เก่งมากคนนี้ตายที่นั่นรู้จักเปิดที่นั่นรู้จักเหมือนกันกันกบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้มีปีชายานเพรองค์ทราบหมดแต่ที่นี่ทองกรเจ็บกระดูกของคนไปตกนรกหนึ่งแล้วก็ไปขึ้นสวรรค์หนึ่ง แล้วที่นี่ก็ขึ้นพรมโลกหนึ่งแล้วออกกระดูกฟ้าทหารมาให้ดูด้วยมีสิจน์จนมุมพอมาถึงโลกทั้งหลายเขาก็ลือว่าพราวะวัคคารี่เป็นอาจารย์อย่งที่โลกเล่าลือกันน ะ, ะข่าวเล่าลือว่าเป็นอาจารย์เอกใคร็นเก่งกว่ากันกับพผู้เจ้าของเหล่านัานน้นทำไมน้องกุ ม, มินะนะมีสิพอมาถึงผู้เจ้าก็เอาอนี่อธิยิอาวัคคารีเธอดูคนนี้ไปตุก เกิดที่ไหนปุ๊บค็อกก็๊กทนั้นเองรู้ทันทีนั่นโอคนนี้ไปตกนรกพุทธเจ้าขาเอออ้าเอาจะขาคนก็เห็นด้วยนะเอที่สองรู้อีกคนนี้ไปที่ไหนอ้าไปสวรรค์อ้าเอาจะขาคนก็เห็นด้วยอ้อาคนที่สามมาเอาเกิเกินในพุทธโลกจะขาคนก็เห็นด้วยคนที่สี่มาวันนี้อ้าหมดวิชาแล้วว่ะขลิ เพราะยังมีกิเลสนั่นจึงว่าเครื่องรู้เครื่องเห็นต่างๆที่เป็นการเครื่องรู้เครื่องเห็นเป็นเครื่องใช้เฉยๆส่วนถอดสังเกตไม่ได้ย่อมเสียอมทรามหรือย่อมทําตัวเองที่มีกิเลสนั้นทําให้เสียได้นั่นพระพุทธเจ้าก็เอาอัปิพาาระรหันมาในวัคคะลิเข้าเข้าเข้เข้างียบเลยเข้าอีกเงียบเลยนะเขาจึงจะไปไหนวัคคะลิไม่จาก ที่นี่จนมืดนานทีนี่พว่กรีตกันเลยจะทําอย่างไงจรึงจะอยากเรียวิชานี้ก็เลยขอเรียนพระพุทธเจ้านั่นแ่ะที่ได้ยอมฝากเป็นศิษย์พระพุทธเจา้จาก็าสอนอาถ้าอย่างนั้นเธอต้องเชื่อคําเราแล้วปฏิบัติตามเราเธอจะรู้เรื่องนี้เองพอปฏิบัติตามพระพุทธเจ้านี้พูดย่อๆนะพอบรรลุความอาหันแล้หมดแล้วที่นี่ จะมาถามอะไรอีกหมดความสงสัยจะมาเราอะไรอีกใครจะเล่าลือขนาดไหนใครยกยอขนาดไหนโมดแล้วสนิทไปเอาทำไมถามพฤติกรรมอีกตื่หวยนะักมีความรู้หนึ่ะผู้หมดอิเดตแล้วจึงมาสแสดงธรรมเป็นที่แม่นยําจึงหน้าเป็นห่วทุกวันนี้เอาไปคิดไปอ่านหนังสือมาทุกรูปแบบหากิตไม่มีคุณธรรมในตัวยังไงก็มีความผิดพลาด นบรรดาที่น้องทั้งหลายมาทําตั้งใกล้ทางไกลก็มาถึงก็อยากฟังทีนี้ผู้แสดงก็ไม่ได้ตั้อะไรบทมารีคาถาจะมาเทศอะไรจะพูดอะไรไม่ได้คิดมาทั้งนั้นมีอะไรก็พูดให้ฟังและนําไปคิดไปอ่านไปพิจนาเพราะสวัสดะธรรมนี้เราไม่ต้องเชื่อแบบมงมงานเอาพิจนาไปพิจนาให้เห็นด้วยความรู้ความเห็นด้วยสติปัญญาของเราเชื่อด้วยเหตุด้วยเหตุ อันนี้มันจึงจะฝังลึกลงในใจเชื่อเลยอยอย่างที่เชื่ออย่างที่ทุกวันนี้ข่าวลือที่นั่นข่าวลือที่นี่นี่ไม่ได้ลือนี่ข่าวปฏิบัติแล้วลือในหัวใจตัวเองมีศีลมีธรรมมากน้อยแค่ไหนอยู่ในหัวใจตัวเองชัดเองชัดเองความสุขก็อยู่ที่นี่ส <c oughs> าวกันคิดกั น, นอ่านกันนี้คนก็มีหลายประเทศแต่ประเภทศใดก็ตามชาติท่านบรรดาไหนก็ตาม เรื่องคุณธรรมนี้มีได้ด้วยกันทั้งหมดมันขึ้นกับว่าสนาบุญญาธิการที่สร้างมาเนี่ยเนี่ก็ขึ้นกับการขยันหมั่นเพียรด้วยความเจิดจ๋องตัวเองไม่เลี่ยกันดีด้วยกันชั่วด้วยกันท่านจึงบอกทานี้ไม่เลี่ยงการกระฐานที่ไม่เลือกบุคคลถ้าทําชัวช่วชั่วได้ด้วยกันถ้าทําดีดีได้ด้วยกันท่านจึงบอกอย่างเช่นพวกเราทุกยากลงลาบากอย่างนี้น่ะนยา เย็นเข็ใจนะไม่พอปากพอท้อเพราะสเหตุคืออะไรสกหนึ่งความขี้เกียจมากง่ายหนะักตัวนั้นพระพุทธเจ้าก็ปรับไปเลยจากนั้นแล้วก็เห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ทำแต่สิ่งที่ไม่เป็นชาระเก่เพื่อนบ้านเกี่ยฝูงเกลี่ยสังคมทั่วๆวไปสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อาภัพแก่ตัวเองผู้ปฏิบัติแน่ตถาดาสอนนี่พื้นๆเอาไปใช้ดูสิ เรามีไล่มีนามีสวนจากขนาดไหนก็ชู่อดชู่ทนตามกำลังของตนหรือตามฐานะของตนที่มีสมบัตินั้นๆคนเราจะมาฟื้นตัวเองควดเลยเป็นไปไม่ได้ดังนั้นจึงมีความเด่นล้ำต่ำสูงความโง่ความฉลาดจึงต่างกันก็ดูที่ต้นไม้จะมีต้นดีต้นไม่ดีธรรมชาติที่มีอย่างนี้มนุษย์ก็เป็นอย่างนี้แต่เสมอกันทั้งหมดเป็นไปไม่ได้ นี่ท่านจึงบอกไว้อย่างนั้นจากนั้นก็ผู้มีสัตว์มีศีน ก, ก, ก็ตรวจตราตัวเองสิรักษาศีนเส้นสินโง่สดอย่างนี่มาอยู่ลอยลอยโดยไม่มีสติโดยไม่มีสัตว์มีจริงควบคุมตัวเองแล้วนีความอดทนอยู่ไปลอยลอยไม่ได้คิดเลยฮะศาสนานี่มันได้สอนให้คนโง่เนะพุทธศาสนานี่ยชั้นนำเลยดีสอนบทใดบาปใดคาถาใดจริงหมดล้วนล้วนล้วน ไอ้พวกเรานําไปปฏิบัติอย่นี้อตั้งแต่ที่พูดไปแล้วมีความสัตด์ความจริงเช่นไหว้รรบสวดมนต์ตั้งใจจดจอ่ออันนี้ทำศักดิต่ว่าทำพอเป็นพิธีทาําะไรศัดิ์แต่ว่าทำพอเป็นพิธีมันจะได้ยรือไงมันจะเกิดเช่นไงไม่ว่าวางควว า, า, างวะนุ่ล้าขายท้ต้องเป็นคนจริงคนจริงนั่นแหละจะสามารถสร้างสมบัติขึ้นได้อคนไม่จริงน่าหล่อเลยแหละทําไหนน่หล่อเลยแหละโอยเกิดมาปี่กับกีซันก็เป็นคนอยู่อย่างนั้น ตั้งตัวก็ไ่ได้เห็นด้วยว่าเป็นคนจริงคำจริงเป็นคำไม่ตายฟางที่คําเดียวนอกนั้นตายหมดแล้วมีดลีรับประกันด้วยเอป็นสัตว์จังเวอมาตาวาจานะ่ะคนจริงแน่เป็นคําไม่ตายเอา้าความซื่อสัตว์สุดจริตไม่ตายได้ยินถึงไหนถึงไหนถึงไหนมีแต่ความล้มเยน็นล้มเยน็นล้มเย็นหมด ให้พวกโกหกหลอกลองวงพกต้มสุนกันต่างๆล้มละลายล้มละลายล้มละลายมล ไ, ลไม่มีแต่เหลวไหลเหลวแหละทําไมหากนันมีกําลังใจเรื่องโกหกพกลมไม่ทําไมไม่ตั้งตัวตั้งแล้ตั้งตัวขึ้นมาเพื่อให้เป็นความสงบลมเย็นแต่ตัวเองมี่พระพุทธเจ้าท่านสอนนะเอาไปคิดได้เลยนี่แหละจึงว่าคาจริงเป็นคําให้ตายนอกนั้นตายหมดโกหกพกลมก็ตายพูดไม่มีสัตว์มีจริงก็ตาย มีเชิงเล่เหลี่ยมต่างๆซึ่งไม่ใช่คนจริงตายหมดฟังดูสิเพียงแค่นี้ก็นําไปปฏิบัติกันได้แล้วไม่เห็นจําเป็นอะไรจะไปพูดอะไรมากมายคนเราต้องมีความจริงแก่ตัวเองจากนั้นจะจริงต่อหน้าที่การงานนี่ถ้าสอนออกไปทางโลกทุกๆอย่างที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ฟังดูสิทุกๆอย่างที่เห็นว่าเป็นประโยชน์อย่าทําสิ่งที่เป็นโทษ ที่พ่อแม่บุญธรรมมั่นทันต์ดีได้ไม่มีโทษนั่นแหลพอแล้วโลกมนุษย์เราผิดกฎหมายบ้านเมืองอะไรสิ่งที่เป็นโทษเช่ามองและมีเรื่องเวลาปัญหาชีวิตเลิกหมดเลิกหมดถ้าต่างคนต่างทำอย่างนี้โลกนี้ไม่วุ่นวายโลกนี้ไม่มีอะไรที่จะมาทะเลาะบอกแห้่งขึ้นกันเลยกันไม่มีอะไรที่จะมาโจมมาเถียงมาเป็นคดีข้อความกันทั้งหมดเพราะทําทนี้ตัดไอ้สอนพวกเราโดยตงร้อยทั้งร้อยร้อยทั้งร้อย มีพาการคิดกันอ่านานะนี่มาได้หนึ่งเดือนนะได้อะไรถ้าไม่ได้อีกอย่างสองเดือนนะมีขนขวายน่าจะชี้นิ้มแกไปทุกวันทุกวันทุกวันถึงวันตายก็จับกันไปจับกันเลยไม่มีนะมีจะบอกนี้จำท่านพุทธเจ้าท่านสอนใครก็จําไม่ได้นะบิดาก็ไม่ได้นะเวลาจะตายมารดาก็ไม่ได้กันหรอกถึงเพื่อนฝูงก็ไม่ได้พวกข้องก็ไม่ได้เมื่อตายแล้วไปคนเดียว นอกจากบุญกุศลที่ีเลี้ยงเป็นที่เลี้ยงของใจท่านจึงให้บำเพ็ญบุญกุศลอยู่เป็นพื้นๆดังที่พูดไปแล้วอุท า, านสะัมปทานเน่ยนั่นเอางี้ให้ขยันมันเพียนในหน้าที่การงานที่มีประโยชน์ทั้งท่านทั้งเราหมดในโล ก, กนี้ถ้าทําสิ่งที่เดินประโยชน์อย่างเดียวไม่มีเรื่องอย่างนี้หรอกไม่มีเพราะคนมีศีลมีธรรมนี่จะคิดจะต่อเห็นใจท่านใจเราให้จิตมันสะอาดแล้วเห็นเขาเห็นเราไม่เด็ก มีการเอารับเอาเปรียพพดเพราะภูมิคุณธรรมนี้เย็นหมดเราสร้างขึ้นมาถ้าอยากเย็นสร้างขึ้นมานะหวัวใจของแต่และดวงระดวงจากนั้นแล้วสังคนต่างสังคมมีว่อครอบครัวมีไมีว่าสังคมเกี่ยวของมดมีความสงบล้มเย็นทําอะไรไม่ต้องมายกบาลีสุขขาทั้งสา ม, มาทีส ม, มาทีคนที่มีบุญกุศลเป็นผี้เลี้ยงรู้จักประโยชน์ทั่วเยอะเพื้อนกูหมู่เพื่อนนี่เป็นอันดับอันดับอันดับหมดนะ ถ้าคนแคบคนเห็นแก่ได้คนเห็นแก่โลกอย่างเดียวไม่มองเห็นผู้หนึ่งผู้ใดแคบที่สุดยุ่งวุ่นวายที่สุดนั่นท่านยังสอนเป็นพักเป็นพักเป็นพักไปนี่ขนาดนี้ก็พอหมาะกับพวกเราสีนี่มันยังออกไม่ได้จำได้สิีปานาทิปาตาเวรีว่าตามพระเขาไปว่าได้อชินนาธานาเวรีว่าได้กาเมลัยลิตรลิตรลิมุ่งสาก็พูดแกงจำไม้หมดแต่ อาเพื่อสันมจริงจังในจิตใจไม่มีเลยเพียงแต่ความจมําอะไรเฉยมันก็ทําอะไรได้ความจํามันต้องทําขึ้นจิตเป็นผู้ชงไว้ซึ่งความดีและความชั่วความดีก็บอกไว้แล้วความสัตว์หรือสี่งทั้งห้าตัวนี้เอาอันนี้มาประกอบมาเป็นคู่เคียงของจิตและทําลายสิ่งที่จอมกลอมออกจากหัวใจนิชนวะซัมระมุนทีถ้าไม่ทําอย่างนี้มันจำละได้เลยจากนั้นแล้วเอาเอาไปทําดูซิ ทำไดทุกวันทุกวันจิตใจก็ใสออกใสออกใสออกพอใสาออกแล้ก็มองออกมองออกพอใสาจริงๆแล้วก็แจว๋วกินี่หาที่นี่รู้จักอันนี้สมของการรักษาสิงสาธรรมที่นี่ความเขยันมันเพียรไม่ต้องพูดความสงบสุขไม่ต้องพูดหากเป็นขึ้นมาที่ใจที่รักษาออกใจของตัวเองได้ด้วยสิงด้วยธรรมที่่จนพูดถึงเรื่องการรักษาสิงแต่นี้มันไม่ไม่ถึงบอกว่าโลกวันนี้ถึงพูดมุก เมื่วานนี้หนละพูดมีแต่ท่านผู้ใหญ่เมืองไทยเหล่านี้เท่าไหร่นะหกสิบหรือเจ็ดสิบล้านคนมีสีมีสัตว์มีสีมันจะได้ถึงสิบล้านหรือเปล่าเราไม่แน่ใจหรืออาจจะห้าล้านนี่มีเอา<ม>โลกจงร้อนมากขึ้นมากขึ้นเช้านี้พูดกิเลสกำลังแก่กล้านะกาลังหนาแน่นมากขึ้นกิเลสก็ไม่ได้ตันหนิผู้หนึ่งผู้ดใดเราก็ดูกันออก ทั้งทนทั้งเราในเย็นหัวใจเราด้วยกกันนี่จะพูดความจริงออกมาไม่ได้ดูถูกใครอ่ดูซิเจ็ดน้อยทุกวันนี้สิบสามปีสิบสองปีนะักมีสู้สาวกันแหละแล้วนั้นมันด้านมันโก้มันแกะกาขนาดไหนแต่ก่อนเรานี่พูดตรงตรงสิบห้าปีนี่พูดแสดงสิบ้าปีเคยพูดโอยยังผัดปล่อยลูกกรโปรงเน่ยสวยเลยเดี๋ยวนี้โทษนะสิบปีนี้ก็จเจ้ากันนะนะนี่อะึปมาอนพเด็ด หนาขึ้นทุกวันทุกวันความร้อนก็ต้องเป็นคู่เคียงขึ้นทุกวันทุกวันถ้าหมดท่านผู้ดียกตัวอย่างอาร์ทางโลกก็เป็นประมุขคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อมาก็ท่านผู้ดีทั้งหลายลงมาจำลำดับลำดานั่นอันนี้แหละเป็นความร่ำเเย็นหลจากฝ่ายพระก็ตั้งแต่วิสุทธิบุคคลก็คือเราพูดเพื่องามก็วิสุทธิบุคคลถ้าพูดตามออกมาชัดๆก็ ค, ค, ค, ค, คือพระมหาวิจําริน ดันั้นแล้วพู้ปฏิบัติดีปที่พ่อไปที่บาดีไ ป, ท, ป, ท, ปที่บาดชอบแต่น้อยมากนะเท่าที่ในสายตาทำมาแต่ไม่มียานเราพูดตรงๆไม่มียานแต่มองดูน้อยมากเวลานี้มีแต่เรื่องเล่นเรื่องเพลินแค่เทปทางเทศเท่านั้นก็เอาดนตรีเอาเพลงเข้าไปเป็นคู่เครืองเสียให้เป็นคำรุนรนๆุนรุนมันมีรสอร่อยเนื้อจันมากถ้าผููมีแค่สปีติเท่านี้ก็มีความสุขเนื้อเพลงเนื้อรุนตรีเป็นที่ไหนใครจะไปอยากฟัง อันนั้นเป็นเรื่องโลกนิยมเราไม่ประมาทเอ า, าอถ้าอย่างมีความสุขในการมมาทุข์ขันตามหลักนักปราชญ์ที่พูดมาก็คือสิ่งห้านั้นเองสมบูรณ์มากมีความสุขมากนอกนั้นไม่ใชความสุขเือสุขน้อยมีแตไ่ไปเ่รเขาหงตัวเองพูดอย่างนั้นนั้นพูดอย่างนี้อย่างนี้บางอย่างเดี๋ยวเอาไปคิดกันอ๋อที่ทำนี่พูดให้คิดนะไม่ต้องมาเชื่อหลวงพ่อหรอกเชื่อตัวเองที่พิจารณาปฏิบัติตัวเองให้ได้เหมือนทานอาหาร แล้วคนไม่ทานถึงทีรู้จักกับแอปเปิลเขาบอกว่าอร่อยอร่อยแต่ยังไม่ได้ทานมันสงสัยอยู่นั่นแหล ะ, ะเมื่อทานแล้วหายสงสัยนี่ก็เหมือนกันนะสิ่งห้านี้เลิกเลยปฏิ บ, บัติตรงไปให้สิ่งห้าปรากฏขึ้นแค่จิตใจตัวเองคถอะจะรู้จัก ท, ทันทีเอออย่างนี้เองทั้งหมดซีเรนจุกติมเย็นติซี่เรนโฟโกัสต้องมาทานที่เรนกูกติมเยังติดถิ้นตัวไหนจะไม่ถึงข้อที่สองถิ่นตัวนี้ก็ถึงเข้าไปแล้ว ชีวิตีลแรกติ่งอยากก็ต้องชีเลยนะโฟกัสธรรมฐานสุขติงงยมยันติมีความซื่อสัตย์เฉลี่ยไม่เนี้อเช่ใจตายใจกันได้ไม่ละเหลวไหลเหลวแหละอยู่ด้วยกันเนิี่ยใจการทำอะไรเป็นที่มั่นใจในครอบครัวนั่นนแต่และครอบครัวมีความมั่นคงต่อกันมีตายใจกันได้ทั้งหมดหาที่สุขโตจะไม่มียังไงไปไหนมาไหนตายใจกันได้หมดทั่วโลกดินแดนความสุขโตก็มีสิไม่มีเรื่องไม่มียุ่งไม่มีคดีข้อความอะไรทั้งหมดนั่น จากนั้นกับชี้เลยนะโฟมรับประทานชกัดติเงเด่นชูกะโตลงกับชี้เลยอ้าวพวกเขาสมบัตินั้นนะลงมาจะเกิดมาเป็นมนุษย์นี่อํานาจบุญกุศลตัวนี้เป็นเทพบันดาลจะทําอะไรหักเป็นความฉลาดหากเป็ น, น, า ห, าปนหากบรรดาลไม่ว่าสมบัติไม่ว่าอสามีภรรยาไม่ว่าเพื่อนฝูงมาเกี่ยวข้องทั้งหมดจะเป็นคนดีหมดเพราะอํานาจบุญที่ตัวเองทำมันอิ่มตัวนี้ถ้าไม่อิ่มมันไม่ไปบอกตรงๆเลยนี่นะมันออกยากก็คือตัวนี้ ท่านจึงให้สร้างต้นนี้ขึ้นมาเพราะอิ่มตัวแล้วตาในเกิดขึ้นเหมือนพระพุทธเจ้าทรงมองนางสนมกรมบรนานทั้งหลายด้วยนักสนมตั้งหมดตั้งแต่หมู่ตาในเกิดขึ้นเป็นอสุภหสดไมยู่และพินนั่นแหละที่นิเดนบูตินยันติจะัต้าสูชนิาพามนั่นมันยังไม่อิ่มจึงบอกให้ขยันมันเปียน คนที่ยากจนทุกยากลําบากก็ให้กระสันมั่นเพียรในที่การงานทุกๆจากที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ยินดีของตัวเองที่มีอยู่มีไร่มีนามีสวนฐานะตัวเองมียังไงก็ยินดีอยู่ ไ, ไม่ตื่นทำไมก็เราทุกยากก็อูในฐานะเราอย่าไปรับไปฉกไปพลุ่นไปที่นี่นะประคับประคองตัวเองอยู่ในสัตว์ในศี่งใครจะไม่เอ็นดูใคร อ, อถ้ามีคุณธรรมยากจนขนาดไหนก็มีคนเองดูเพราะทําเป็นที่เลี้ยงหรือเป็นที่คุ้มครองน้ําใจผู้มีธรรม อืมฮะเกี่ยวโยงซึ่งกันและกันหากาหมองแล้วอยากอดูสงสารแม้จะสัตว์เป็นสุนัขหรืออะไรก็แล้วแต่บางตัวนี้เห็นอยากอานูทันทีนั่นเขามีอะไรของเขาอยู่เช่นต้นหยากลุกดูงอย่างนี้เขาไม่มีของเขาอยู่แล้วเห็นบางลายเห็นได้วจะไม่อยากให้เลยนั่นแหละทำด้วยสิ่งที่ไม่ดีแก่จิตใจตัวเองจะเกิดในล่างไหนใครเห็นก็ไม่อยากเพื่อคูณไม่อยากแล้วอนุขห์สงฆ์ข้ อ, ขอเลยมันน่าทํามันดาพี่น้องทั้งหลายน่าทํา ทุกยากลำบากไม่ต้องพอแท้อ่อนแอไม่ต้องน้อยอกน้อยใจสร้างเถอะให้ขยันหมั่นเพียรในหน้าที่การงานที่เป็นประโยชน์ในฐานะที่เรามีไร่มีนานมีสวนจะไปกระตือรือร้นอันนั้นเป็นสมบัตรของท่านผู้มีหน้าที่มีรถมีลามีอะไรทุกอย่างอุดมสมบูรณ์ไปหมดเป็นวินญาณของการของท่านผู้นั่นน้นนั้น น, นท่านสร้างมาแล้วเรายังไม่ทราบมันทึกทุกยากลําบากอย่างนี้เราก็ขยันหมั่นเพียรที่ เช่นมาวัดมาวายอย่างนี้ก็ต้องคิดต้องอ่านจะไปทํากันที่นี้เป็นสถานที่สงบสงบัดของสถานที่ของท่านผู้หนีจากโลกมาเพื่อก่อมจิตใจให้ขาดจากอารมณ์จึงได้อาศัยดิยวาไม่คุกคลีด้วยฝงชนหรือไม่คุกคลีด้วยอารมณ์ท่านทาั้งหลายอาศรมสักิการไม่คุกคลีด้วยฝงชนด้วยไม่คุกคลีด้วยอารมณ์ของตัวเองด้วยจึงอาศัย ท่านพระพุทธเจ้าจะมีสอนเมื่อบวชท่านจึงบอกลุกขโมโูลเทศนาถนะเธอบวชแล้วถ้าเดเธอยังอํานาจกิเรยังมากมายไกลกอเธอก็อยู่ในป่าในเขาที่สงบไปเวทนั่นสถานนี้เหมาะที่การบําเพ็ญเพียรอยู่ท่านพูดในสถานที่นี้เหมาะคือที่สงบสงบจิตใจจะก้าวได้เป็นสมาธิได้รวดเร็วท่านก็บอกอย่างนั้นเนี๋ยวถึง่าสถานที่หนึ่งและเธอมีความเพียร น, นะนี่จำมาให้ดี จาก น, น, น, น, นั้นสถานที่ดีด้วยแต่พระที่เกลียดด้วยไปอยู่ที่นั่นไม่เอาไหนเลยก็อย่าหวังสถานที่ทําอะไรท่าไม่ได้นั่นแหละบรรดาสาวกหรือผู้พุธทธเจ้าทรงเสด็จออกบวชสาวกประจับตั้งแต่พระราส า, ามหาษัตริย์เอาลําดับลงมาทุกวันนี้ก็เรียกว่าองค์ข้ามนตรีหรือกว่าไปตามมหาดเล็กว่าลงไปตลอดถึงคนยากคนเป็นออกมาพุทธเจ้าท่านออกมาเพื่อทําท่านไม่ได้ออกมาเพื่อเป็นข่าวหนึ่ง ท่านออกมาเพื่อทำล้วนๆๆพอออกมาพบสังเกตเข้าไปทางทำของพระพุทธเจ้าเท่นั้นเองได้รับความสะดวกและในรับความสงบแล้วเกิดอัจฉรย์ใจของเมื่อความเกิดอัจฉริยะใจพัฒนาขึ้นในใจแล้วไม่ต้องหว่วงกองผยันหมั่นเกียนไม่ไม่มุ่งหน้ามุ่งใจเพราะรถทั้งหลายในโลกนี้สู้รถแต่งทำไม่ได้เนี่แหละท่านจึงบอกอย่างนั้นที่บรรดาพี่น้องทั้งหลายบรรดาการวัดมาจากทางใต้ทางไต้คุกรุณาทราตามนี้ ลายความสงบร่มเย็นแก่ประสงค์ท่านฝึกยากทางภาคปฏิบัติถ้าไม่มีสถานที่หนึ่งแล้วพวกเราก็ให้ดูแลกันควรหรือไม่ควรทีนี้ก็ไม่ได้บอกนะเช่นบรรพะอย่างนี้ก็นุ้าจให้ทําอะไรควรหรือไม่ควรนอกนั้นไม่ไม่ให้ไปทําตั้งแต่บ่ายสามถ้าไม่ใช่วันพะพระถ้ามีกิจุลัอะไรก็จะต้องบอกให้ประสงค์ได้ทราบทั่ว ถ, ถึงกันเพื่อไม่เป็นที่ละไว้นี่มันจะมันจะหมดไปหมดไปไล้นะ พระจันทร์เต็มดวงก็ลังันหลี่ลงนะทําไมถึงว่าพระจันทร์เป็นดวงคือมิสุทธิบุคคลทารันสว่างจ้าในดินแดนของไทยเราคือประเทศไทยเรานี้สมยัยท่านพระแม่โอจันทร์มันมนีมากมายต่อมาเนี้ยเราคอยหลี่ลงไปหลี่ลงไรกรุณาพวกท่านทั้งหลายานะอย่าประมาทนะอย่าประมาทในการบาเพ็ญตนในสิ่งที่ดีงามไม่มีโทษนะที่พื้นพื้นจากนั้นจะประมาทในสิ่งจะประมาทในการรักษาหัวใจตัวเองซึ่งเป็นเหลือไหลเหลือแหละไม่มีสัตว์ีจิน เอาอะไรกับตัวเองไม่ได้หาความสุขไม่ได้นะตายแล้วไม่มีประโยชน์อะไรเลยทันนี้กุศลไม้ตามต่ออะไรแค่นี้พอนะธรรัะกันดี